เต็มสาาลาในวันที่หนึ่งืมาจากทางไกลแต่ตามไม่จริงก็ควรจะเป็นอย่างนั้นหละปีหนึ่งเราควรจะทำบนอุทิศสวนกุศลให้แก่บรรพชนของพวกเราตุออยญาติพี่น้องที่เรารักเคารพนับถือที่มีพระคุณสาหรับเราอันนี้ก็คือปีใหม่ก็ควรราลึกถึงผู้มีพระคุณครั้งหนึ่ง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 โอ้แม่อลี่ตัวเนี่ยเจ้าปนัวแม้นอลี่ตัวเนี่ยสันเนี่ยเตะต๊อต๊อกหลวงปู่ช่างก็ยืนให้มันเตะางัี้ยเถอะเออเตะต๊กต๊ต๊กลูกมันสามสี่ตัวงันพอผลที่สุดพอเตะเสร็จแล้วมันมันก็ยังด่าไป่เกนะต๊กต๊อต๊กต๊อกตไปหาลูกมันว่ากันเออเออเอาดีแต่ตัวคนเดียวเนี่ยไม่เลี้ยวแล้วคนอื่นเลยมันจะว่าอย่างเงี้ยเนีแม่ไก่ว่างั้นอะเออ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 กรรมดีกรชั่วเป็นของใครของเราใครทำดีก็ได้ดีใครทำชั่วก็ได้ชั่วใครจะไปช่วยกันได้ใช่ถ้าไม่อโนโมธนาไม่เห็นด้วยที่ชักชวนไปทางดีแล้วไม่เอาหลวงปู่ชอบก็โปรงตกวางันเถอะออนี่ล่ละการสร้างบุญสร้างกุศลนะมันต้องอนนโมธนาสาธุพร้อมกันเลเ อ, อจริงจะได้บุญได้กุศลแต่ถ้าว่าคนหนึ่งขัดคนหนึ่งคืน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 โล ก, กอันนี้มันต้องเป็นอย่างนี้แหละเป็นอย่างอื่นไม่ได้จะให้คนอนุโมทนาสาธุทั่วโลกซะก่อนเราจึงบําเพญ็ญทานศีลภาวนานะเป็นไปไม่ได้หรอกไม่เคยเป็นมาอย่างนั้นขนาดพระพุทธเจ้าของเราไปบําเพ็ญที่ไหนเทวทัตยังลังควานลังแกงานางกินจามนาวิกผูกอาคาตพยาบาทจองเวนพระพุทธเจ้าไป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 จะแสดงให้ดูมันว่ า, างั้นนะฟินยาณของแฟนเก่ามั่งดูท่านะ่ะอพอไปบินธวาดว่าเดินไปองค์เดียวกับไปทักทักเข้ามาจริงๆริเออตักตักตัเ ต, ตะเอาจริงจเหมือนกันโอ้จริงๆริงนะวะ่วานนะนี่แหละ อ, ะ, อะอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งในหลักของพุทธศาสนาอที่พระพุทธเจ้าท่านเห็นไปบินธบาดกับพระอานนท์ไปเห็นหมูตัวหนึ่ง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 เนี่ยนี่แหละท่านว่าวิญญาณเนี่ยเกิดขึ้นมาลุ่มลุ่มดอนๆอนน่าเบื่อหน้าเอื่อมละอาเป็นอย่างยิ่งเหามาตรฐานไม่ได้เวิญญาณเนี่ยเป็นวัด ต, ตวันวัตตะยะวัดตะบนเวียนไหวตายเกิดในวัด ต, ตสงสาร น, น่ากลัวเพราะนั้นท่านจึงสั่งสอนพุทธบริษัทว่าจงบำเพ็ญทานศีลภาวนาอย่าประมาทนะ ชีวิตของเราเนี่ยอบางทีมันสูงบางทีมันต่ําอย่างที่ที่ว่าเนี่ยอไม่มีที่สิ้นสุดบางทีอาจจะต่ํากว่านั่นก็ได้บางทีอาจจะตกนรกก็ได้เพราะว่าใจของเราเนะี่ยบางทีมันไม่ได้ทําแต่กรรมดีอย่างเดียวเด้มันทํากรรมชั่วด้วยเ อ, อไม่ใช่จะทำแต่กรรมชั่วย่างเดียวก็ทํากรรมดีด้วยมันทั้งสองกรรมเหมือนกับมะพร้าวสองหน่ออกออกมาจากลูกเดียวกันนั่นแหละออันหนึ่งกับกรรม